ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผูกฟังท่างหายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้นำเสนออากังขยสูตรมาโดยลำดับมาถึงช่วงสุดท้ายซึ่งเป็นบทสรุปคือทรงสแสดงมาเป็น17ระดับด้วยกันระดับสุดท้ายก็คือบรรลุอานวัขยาน ก็ได้แก่การบรรลุมรคผลเป็นพระา น, านแต่ในขณะเดียวกันก็ทสรุปว่าคำที่เรากล่าวแล้วว่าดุก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีนันถึงพร้อมมีปฏิโมกันถึงพร้อมแล้วอยู่เถอะเธอทั้งหลายจงเป็นผู้สำรวมในพระปาติโมกถึงพร้อมด้วยบัร ญ, ญาตและ โคจร อ, อยู่เธออเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มักเห็นไัยในโทษเพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาในสิกาขาบททั้งหลายเถิดดังนี้คำนั้นอันเราอาศัยอำนาจประโยชน์นี้จึงได้กล่าวแล้วชนี้เปิดปเรเด็นหลักเนี่ยคือตัวเหตุทั้งหมดทั้นฝั่งลองสังเกตว่าตัวเหตุทั้งหมดก็มาอยู่ตรงนี้ แล้วก็ให้เกิดผลโดยการเข้มข้นของเหตุถือมาความว่าเมื่อเหตุก็ประนีตขึ้นเนี่ยผลก็ประณีตขึ้นพูดง่ายๆว่าภูมิธรรมสูงขึ้นภูมิจิตก็สูงขึ้นภูมิรู้ก็สูงขึ้นความบริสุทธิ์ก็ปรากฏภายในจิตเพิ่มขึ้นโดยลำดับ จะถึงบรรลุอาสวะกายานคือหมดอาสวะไปเป็นพระอาหารหันต์คือถ้าเรามองว่าเส้นทางเดินถึง17เจดระดับด้วยกันเนี่ยก็คนสามัญทั่วไปก็เดินมาได้อย่างน้อยก็ครึ่งทางแหละก็เรียกว่าสิบระดับต้นๆเนี่ยเขอพอเดินไหว แต่สรุปแล้วก็เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องใช้ความพยายามมันเป็นการบ่งบอกให้เห็นว่าผลทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นมาจากเหตุแต่ผลในที่นี้จะอยู่ในกลุ่มของนิโรธนะครับผลตัวเหตุจึงเป็นเรื่องของมรรคไม่ได้พูดถึงการลดละบรรเทาของสมุทัยและก็ทุกซึ่งที่จริงก็ลดละบรรเทาไป เพียงแต่ว่ามันพูดถึงการขจัดโรคกับความหายจากโรคซึ่งในแง่ของความเป็นจริงแล้วก็คือสมุนฐารโรคก็ต้องหมดไปอาการของโรคก็หมดตามไปจะพูดหรือไม่พูดก็เหมือนกับพูดก็ทำนองใกลยๆกับเราพูดว่าห้องนี้สว่างเนี่ยมันก็หมายความว่าไม่มืด แต่ก็ไม่ได้พูดว่าไม่มืดหรอกเพียงแต่พูดว่าสว่างหรือบอกให้เปิดสวิตไฟเราก็รู้กันโดยในนะฮะว่าแต่เปิดสวิตไฟแล้วเนี่ยแสงสว่างจะเกิด ข, ขึ้นความมืดจะหายไปสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในที่มืดมาก่อนก็จะปรากฏตามความเป็นจริงเป็นปริยายในการเทศคือแสดงกลุ่มของมกกสัเป็นตัวหลัก ในข้อนี้มีรายละเอียดที่น่าศึกษาเพราะว่าเป็นประเด็นหลักหมายความมาพูดเมื่อไร่มก็เจอทุกที่เพราะอยู่ในกรอบของคำว่าการไม่ทำบาตทั้งปวงการทำกุศลให้สมบูรณ์การทำกิเลสผ่องแผ่วหรือว่าอยู่ในกรอบของศีลสมาธิปัญญาหรือว่าอาริยมรรคเป็นงค์แปประการมันมีประเด็นที่พระตักทาจารย์ท่าน อธิบายขยายความรายละเอียดตรงนี้คือประเด็นแรกเนี่ยแปลว่าความถึงพร้อมหรือความสมบูรณ์ซึ่งเราพบบ่อยๆบาลีใช้คำว่าสัมปทาหรือสัมปันนะพระธรรมเทศนาแนวนี้องค์ธรรมจะไม่พูดมากค้อนี้ลองสังเกตพระพุทธธํรระดทิสัตรเรื่องโอวาตปฏิโมก มันเป็นการกระชับความแต่ว่าคำเนี่ยไม่ยาวสัปะปาปัสสะอาการะนังการไม่ทำบาปทั้งปวงคือย้ำที่คำว่าทั้งปวงหมายความมาบาปชั้นหยาบชั้นกลางชั้นละเอียดแม้แต่นิดเดียวนี่ก็ไม่กระทำแล้วก็กุศลสูประสามปทา การทำกุศลให้สมบูรณ์คือถึงพร้อมก็หมายความมากุศลแม้แต่พร่องไปนิดเดียวก็ยังไม่ยังไม่ถึงพร้อมคือยังไม่สมบูรณ์แลว้วกวาดผลกัที่ไหนวาดผลกัที่สัจจิตประโยชน์ปนังการทำจิตของตนให้พองแผ้วแปลว่าขาวรอบด้านคือหมายความมีจุดดำอยู่นิดเดียวก็ไม่ได้ เป็นข้อความสั้นๆแต่ว่ากรอบขอบคายในภาคสนามจะต้องใช้เวลาในการปฏิบัติเยอะมากพัานรร ม, มเทศนาแนวนี้เขาเรียกว่าสมบูรณ์ด้วยอัตถะและก็พยัญชนะคือเนื้อหาจะสมบูรณ์ไปกระชับที่ตัวความคือตัวพยัญชนะเราเห็นความ เป็นอักษราศาสตร์และความเป็นในรุติศาสตร์ในขณะเดียวกันก็มีความเป็นตักกศาสตร์อยู่ในพระพุทธบัต ร, รที่รับสัง่งอย่างในรพบธรรมะชุดหนึ่งซึ่งทรงใช้คําว่าสัมปทาเหมือนกันเออชุดนี้จะปรากฏมากสี่บ้างสาบ้างสี่บ้างห้าบ้างสี่บ้างห้าบ้างเนี่ยคุณจะปรากฏมาก ในเจตุ ก, กาิบาตอังคุตรนิกาในี่ครึ่งเล่มใช้ธรรมะชุดเดียวคือสีข้อแต่ก็ใช้คำว่าถึงพร้อมศรัท ธ, ธาสัมปทาถึงพร้อมด้วยศรัท ธ, ธาศีสลสัมปทาถึงพร้อมด้วยศีลจารคสัมปทาถึงพร้อมด้วยจารคปัญญาสัมปทาถึงพร้อมด้วยปัญญาก็หมายความมัสมบูรณ์นะพวกนี้สมบูรณ์หมด ทีนี้ถ้าสมบูรณ์ถึงขนาดปัญญาเนี่เป็นพระอาหารหันต์แล้วเพราะอะไรเพราะว่าศัทธายาตระติโอคังคนจะข้ามหวกน้ำคือสังสารวัตรได้ก็ด้วยศรัทธาสีเลนอันนี้ปุตติงยันติคนจะบรรลุมรรคผล น, นิพพานได้ก็เพราะศีลจาระคเนี่ยเป็นวิยพน์ของนิพพานเลย เวลาที่บายนิโรธในธรรมจักกตตณะสุรเราจะเจอคำบมาจากโกปฏินิสโกมุติอนนาตโยปัญญายักบริสุทธิ์จิตคนบริสุทธิ์หมดจดได้ในปัญญาตรงธรรมมแค่มีแค่สี่ข้อนะฮะแต่นในภาคของการปฏิบัตินี่ครอบคลุมอริมารควไว้ทั้งหมดแล้วก็ทำลายพวกสมุทัยได้ทั้งหมดทำลายทุกได้ทั้งหมดแล้วก็ทาให้นิโรธเกิดสมบูรณ เพราะในประเด็นตรงนี้จะชงส่งเน้นที่คำว่าสัมปทาคือสมบูรณ์สัมปนาศีลาก็หมายความว่าความสมบูรณ์ความพรั่งพร้อมและความหวานคือบางครั้งก็อาจจะแปลว่าความหวานในกรณีเหล่านี้ท่านยกตัวอย่างถึงคำกล่าว ว่าดูก่อนโกศยะเป็นคำกล่าวของนกแ ก, กต้าพธิสัตว์นะว่าดูก่อนโกศยะนกแกเต้าทั้งหลายย่อมบริโภครวงข้าวสาลีที่สมบูรณ์แล้วดูก่อนพรามเราขอบอกท่านว่าเราไม่สามารถท่ามนกแกกเต้าเหล่านั้นได้ดังนี้คือหมายความว่าถ้าไอข้าวสาลีมันมันรีบ ก็ไม่รู้จะกินได้ยังไงอ่ะทีนี้ท่านโกศิยะเป็นชาวนานะขอร้องปัญาโนแขกเต้าไว้ห้ามปายายนแขกเต้ามากินข้าวสาลีตนบอกมันห้ามไม่ได้เพราะนกก็ต้องกินอาหารที่มีความสมบูรณ์เพราะนข้าวสาลีที่สุกแล้วท่านห้ามเองไม่ได้ ทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยที่ชื่อว่าความถึงพร้อมว่าภิกษุเป็นผู้เข้าถึงพร้อมก็ถึงพร้อมแล้วเข้าถึงไปใกล้แล้วเข้าไปใกล้แล้วเข้าถึงแล้วสมบูรณ์แล้วประกอบแล้วด้วยปาฏิโมกขสังวรศีนั้นบางนี้ชื่อว่าถึงพร้อมคือการพรั่งพร้อมด้วยสีไม่มีจุดบกพร่อง ไม่มีจุดบกพร่องในสิกขาบทที่รักษาคือเราไปมองที่ปาติโมกนี่มันยาวเกินไปมันกรอบมันใหญ่มากเกินไปเรามองที่สี่ห้าซึ่งสมบูรณ์นะคือเราจะเห็นว่าการกระทำบางระดับมันไม่ถึงกระขาด เช่นว่าไปจักต้องรูปครามทรัพย์สินเงินทองของบุคคลอื่นด้วยความโลภอยากได้เนี่ยคือถ้าเรดูสภาพจิตและจิตมันคุณนเนี่ยมันคุณนด้วยโลภะจิตมันสายไปเดิมหน้าของโลภะแล้วถ้ากำกับควบคุมหยุดยั้งไว้ไม่ได้ก็อาจจะลักขโมย เพราะในชั้นของการปฏิบัติจริงๆเวลาที่บายตามโครงสร้างของกุศลกรรมบทจะทรงอธิบายเป็นการประนีตของจิตไปโดยลำดับเช่นไม่ฆ่าสัตว์เองเอาไม่ลักทรัพย์ก็ได้ไม่ลักทรัพย์เองไม่ใช้บุคคลอื่นลักไม่ยกย่อง ส, สรรเสริญคนที่ลักทรัพย์ จิตใจของเราไม่พอใจไม่ยินดีไม่ชอบใจหรือว่าคิดอยากได้ในทรัพย์สินเงินทองของบุคคลอื่นเพราะอย่าลืมมรุจริตมันออกมาทางกายทางวาจาทางใจแล้วก็ที่ใจที่จริงเป็นตัวมีบทบาทสำคัญสร้างพบสร้างชาติกันที่ใจนี่แหละมันอยู่ที่ใจหยาบหรือใจประณีต แม้แต่การอุบัติบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์การมารรลุมรรคนิพพานการตัดสินทำดีทำชั่วการพูดถูกพูดผิดของคนเมื่อเกิดขึ้นอยู่ในขณะจิตปณานาเวลานั้นเธอคิดยังไงเธอก็ทำตามที่คิดเธอก็พูดอย่างที่คิดแต่ถ้าจิตมันขุนล่ะขุนด้วยโลภะมันก็พูดไปด้วยอำนาจของโลภะ วันก่อนฝั่งร้านปืนเขา อ, อธิบายเรื่องความจำเป็นของครูทั้งสามจังหวัดภาคใต้ที่จะต้องปกผ่าปืนไปในที่ต่างๆคือเราฟังแล้วว่ามันเป็นเหตุผลของพ่อค้าที่ต้องการขายปืนนั้นเองแต่ไม่นึกถึงสวัสดิภาพของครู คือเราต้องมองในแง่ของความเป็นจริงว่าตำรวจกับทหารที่ถูกยิงตายเกือบทุกวันเนี่ยชำนาญการใช้อาวุธปืนนะอย่าลืมว่าคนที่ยิงเนี่ยเขารู้ว่าเขาจะยิงใครแต่ว่าครูเนี่ยไม่รู้ว่าใครจะยิงเขาเพราะการพกปืนจึงไม่เกิดประโยชน์อะไร มันปเป็นการเพิ่มปูเพิ่มปืนให้แกพวกก่อการร้ายมากยิ่งขึ้นคือมันรู้ว่าคนนี้พวกปืนนะฮะก็เฉี่ยวปั๊บเดียวก็ปืนเจาะแล้วก็ดึงเอาก็สบายละขืนกับคืนต่อสู้ก็เลี่ยงเลี่ยก็ตายละแต่ว่าคนขายเนี่ก็คิดนะ่ยคิดใยโลภะมันก็เป็นโอกาสว่าตัวเองจะขายปืนได้มาศาลนะฮะ แต่ว่าถ้าเรานึกถึงสวัสดิภาพของครูแล้วชีวิตจะเสี่ยงเพิ่มขึ้นก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่เขาเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจแน่นอนตัวเองก็ต้องระมัดระวังแต่อย่าถึงก็พโกงปืนเลยมันก็เหมือนแค่คราวหนึ่งอ่ะมีการโฆษณาดร า, าดังซะด้วยโฆษณาเนี่ยโฆษณาเครื่องช็อตไฟฟ้า บอกว่าจะให้ผู้หญิงใช้ปองป้องกันตัวเวลาถูกผู้ชายรังแกถูกขโมยถูกอะไรต่ออะไรรังแกเอาพูดต้าเฉยตาเฉยนะฮะแล้วยังนึ ก, กว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจอนุญาตได้ยังไงเลยก็ติงออกไปว่ามันคิดเอาอแต่ได้มันพู ด, ด้ดยโลภะมันแต่ไม่มีโมหะอยู่เยอะ เพราะเราเราจะลืมวาผู้ชายเขารู้ว่าเขาจะรังแกผู้หญิงคนไหนแต่ผู้หญิงไม่รู้ว่าผู้ชายคนไหนจะรังแกเธอมันก็สูดเดียวกันมันไม่มีใครไปเทียวถือไอ้เครื่องช็อตไฟฟ้าอยู่หรอกมันก็อยู่ในกระเป๋าอย่างน้อยก็อยู่ในกระเป๋าเสือ้อยิ่งีอยู่ในกระเป๋ามือถือยิงปลายใหญ่เลยเพราะันมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรอะ่ะคือทําให้มีอันตรายมากยิ่งขึ้น เะะนันเราจะเห็นว่าปัญหาเรื่องความคิดเนี่ยมันพุทธศีนเนี่ยมันจะเข้าถึงความคิดเพราะศีลมันเป็นเรื่องของเรียกว่าเจตนาเขาเรียกว่าไสยจิตกะคือมีความจงใจเบาการอธิบายถึงการรักษาศีลที่ประณีตแล้วก็พูดถึงศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไถ่แก่ตัวไม่รักษาด้วยอํานาจตัณหามานะหรือกิจที่ ต้องการจะโอ้อวดต้องการจะยกตนข่มคนอื่นวิญญาชนเพราะเห็นพฤติกรรมและยกย่องสนรเสริญจิตใจจะโน้มน้อมเข้าหาสมาธิเห็นไหมมันสงบแม้แต่ระดับความคิดคิดก็คิดอะไรก็คิดคิดรอบอยากได้ของบุคคลอื่นคิดปยาบาดปองร้ายบุคคลอื่นคิดเบียดเบียนบุคคลอื่นจนถึงคิดผิดจะทำนองครองทรร มันจิตมันสงบจากความคิดที่ไม่ดีได้พัน์ตัดยังบอกว่าความถึงพร้อมนี่ว่าถ้าแต่ท่านผู้เจริญพื้นต่ำสุดแห่งปัตภพีนี้มีรสหวานน่าชอบใจเหมือนน้ำพึ่งวีที่ไม่มีโทษเจอือปนฉะนั้นดังนี้ชื่อว่าความถึงพร้อมของความหวาน อันนี้เป็นการพูดในยุคงวลดินนะฮะไปยุคงวลดินยุคอะไรล่ะเขาเรียกว่าอพัสรพรมลงมาในโลกถือว่าอาหารครั้งแรกเนี่ยก็เรียกว่างวนดินเนี่ยที่จริงมันก็เป็นอะไรเขาบอกเป็นฟองขึ้นมาที่น้ำก่อนแล้วก็รสชาติอร่อยทีนี้ แต่ในประศู์เนี่ยได้แก่ความถึงพร้อมคือความบริบูรณ์บ้างความถึงพร้อมคือความพรั่งพร้อมบ้างเพราะฉะนั้นในบทว่าสัมปันนาสีลาเนี่ยพึงทราบว่าเป็นผู้มีศีลบริบูรณ์อย่างนี้บ้างหรือพรั่งพร้อมด้ศีลห้าข้อก็ไม่มีปัญหาในห้าข้อแปดข้อก็ไม่มีปัญหาในแปดข้อสิบข้อก็ไม่มีปัญหาในสิบข้อ กองพระนั้นอย่างที่บอกแล้วว่าจริงๆมันไม่ใช่227รออคือกล่าวโดยสรุปก็มีสี่คือจจตุปาิสุทธิสินสีแต่พอย่อยปาิสุทธิสินสขึ้นมาเนี่ยมันได้ประมาณ 2,800 ขอ้อแล้วก็ไม่มีใครเคยนับไปนะฮะเพียงแต่ถ้าเราอ่านในพระวินัยวิดกเราจะเจอว่าสีมันเยอะจัง ตองอ บ, บัตทุนละใจกับอ บ, บัตทุกกฎอา บ, บัตทุกกฎนี่จะมากแต่ก็อยู่นอกปฏิโมกเพียงแต่ว่าพระรักษายจ้ปาริสุทติศีนทั้งสี่หรืออย่าให้วิบัตสี่เอาข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ไม่บัตสี่คือศีลอย่าวิบัติอาจาระอย่าวิบัติทิฏฐิอย่าวิบัติอาชีวะอย่าวิบัติมันก็ศีลก็สมบูรณ์หรือว่า สมบูรณ์ด้วยปาติโมกสังวรศีนคือบทบัญญัติในปาติโมกและก็นอกปาิโมกแล้วก็อินซียสังวรคือสำรวจวังอินเซควบคุมใจแม้เกิดความยินดียินร้ายเวลาสัมผัสกับอารมณ์นอกอารมณ์โลกคือมีตายรูปเป็นต้นแล้วก็ตัวอาชีพเนี่ยตัวชีวะเนี่ยบริสุทธ แล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาปัจจัยสี่ซก่อนในขณะรับในขณะบริโภคหลังจากบริโภคหลังจากบริโภคไปแล้วเป็นการใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญาเป็นกำกับเป็นตัวกำกับจิตแล้วก็มีความสมบูรณ์หรือปริยายเหล่านี้อย่างที่เคยเล่าเรื่อง ภิกษุรูปหนึ่งท่านมีความรู้สึกว่าในธรรมิ น, นนี้มันรุงรังมันอาบัตเยอะมากไม่มีแม้แต่ที่จะเหยียดมือเหยีดยดเท้าแต่ทางที่ท่านไต่ลําดับมาตั้งแต่ศีลห้าศีลแปดศีลสิบแต่ท่านไต่ระดับมานีจนมาบวชเป็นพระผมมาเจอศีลพระเข้าชักเครียดกลัวจะต้องอาบัตคิดมากจนถึงก็อยากเกิดสึก ก็สักถามทราบความแล้วก็นำไปฟาบเราผู้ธเจา้าผู้เจ้ารับสั่งถามมาเป็นไงรู้สึกว่ามันมากไปเหรอ่าน บ, บอกว่ามากไปผู้เจ้ารับสั่งว่าถ้าอย่างนั้นรักษาสักอย่างได้มหอย่างอื่นไม่ต้องรักษาหรอกท่านบอกว่าได้พระผูเจ้ารับสั่งว่าถ้าอย่างนั้นรักษาจิตอย่ า, ง, ายยงเดียวจะคิดออกข้างนอกอย่างอื่นไม่ต้องรักษานี่คืออบายวิธี คือคนเรานี่อย่าลืมว่าความผิดทั้งหมดที่ออกมาทางกายทางมาจามันเกิดจากความคิดผิดไปคิดผิดก็ทำผิดพูดผิดพอทับผิดพอนับเป็นรายมันก็เยอะอาจจะได้เป็นหมื่นเป็นแสนก็ได้วยิ่งมันเกิดมาจากความคิดที่ผิดทีนี้ถ้าเรากำกับความคิดเราไม่คิดออกข้างนอกการทำผิดการพูดผิดมันก็ไม่เกิดโดยกี่ข้อก็ช่างมันก็ไม่ต้องนับ เพราะว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยถ้าเรากํากับควบคุมจิตได้เนี่ยนะมันก็เหมือนกับสํานึกของความเป็นพลเมืองดีเราก็ไม่รู้ว่ากฎหมายบัญญัติไว้ยังไงแต่ก็ไม่เคยทําผิดกฎหมายเพราะอะไรเพราะว่าสำนึกเป็นพลเมืองดีเนี่ยมันเป็นมโนธรรมที่กํากับพฤติกรรมของตัวเองเอาไว้ มันจะดูอะไรเหมาะอะไรควรหรือไม่ควรจะลืมมันถ้าขึ้นตรงนี้มันก็กลายเป็นทีดีอุตรปะมีความละอายต่อ บ, บาปสะดุ้งกรวดต่อ บ, บาปรู้ว่าควรหรือไม่ควรสํานึกว่าควรหรือไม่ควรอย่างเดียวก็เยอะแล้วนะแต่อย่าลื ม, มาการวินิจฉัยเนี่ยมันต้องมีปัญญาด้วยมีสติด้วยเพราะว่าเราจะมีเฉพาะละอายอย่างเดียวมันก็ต้องรู้อะไรควรละอายหรือไม่ควรละอาย วันสติสัมปัญญะหรือสติปัญญาเนี่ยเป็นตัวระลึกรู้กว่าจะแยกแยะได้ทีนี้พระตถาจารย์เนี่ยท่านเวลาที่บายแล้วท่านก็ยกระดับขึ้นที่ก็สูงเกินกําลังท่านก็บอกว่าศีลเนี่ยที่ชื่อว่าศีลเพราะอัตตวักรายหรือชื่อว่าศีลเพราะอัตตวะเป็นที่รองรับ อันนี้ถือว่าปริยายหนึ่งนะฮะคือสีเนี่ยในนิเทศของสีนี่ยเยอะมากแต่มาเกยบรรยายสรุปไว้ในใต้ร่มพระพุทธญาณก็เป็นเทปม้วนละหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ประมาณสักสองร้อยม้วน น, นะฮะตอนนี้ก็โยมก็ไปลอกกัน ก็ยังไม่ได้ดตรวจก็ต้องสวดแก้ปรับปรุงเยอะแต่ว่าคือเราจะเอามาไว้ให้หมดเลยคือดูว่าศีลเนี่ยาาท่านอธิบายมาที่ไหน ย, ยังไงบ้างเป็นเจตนาเป็นการงดเว้นเป็นการสํารวมระวังเป็นการไม่ล่วงละเมิดเป็นปกติกายปกติวาจาคือปริยายก็เป็นอันมากในที่นี้ท่านพูดในฐานะเป็นเครื่องรองรับคือหมายความมารองรับคุณธรรมเบื้องสูงขึ้นไป สีนั้นเราเปรียบแล้วก็เหมือนกับฐานฐานร่างนะฮะฐานรากของของของอาคารฐานที่ต่างๆเนี่ยมันอยู่ใต้ดินเยอะมันมีทั้งเข็มทั้งคานดินทั้งอะไรแต่ อ, อะไรเนี่ยอยู่ข้างล่างเยอะแต่คนก็ไม่เคยเห็นหรอกแต่ถ้าไม่มีเขาอาคารเหล่านั้นก็อยู่ไม่ได้เพราะเรื่องสีเนี่ยจึงถือว่าเป็นฐานรากที่มีความสําคัญ ที่ทําให้ความดีอย่างอื่นที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นที่เกิดแล้วจะเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นแต่เราคุ้นๆ น, นะะว่าศีลเป็นภาคพื้นเป็นบาทเป็นภาคพื้นของความดีทั้งหลายจนถึงกับศีลเป็นอภรรเป็นเครื่องประดับ อย่างยอดเยี่ยมเป็นอาวุธอย่างประเสริฐเป็นเกราะอย่างมหศัศจรรย์เกิดเป็นอะไรหลายอย่างเพราะในประกรณ์ที่ชื่อโอวิสุทธิมาร์เนี่ยท่านยังมีเรียกคำอีกคำหนึ่งว่าปริบุนนาศีลาที่จริงตัวนี้ในบาลีก็มีนะเป็นกล่าวถึงความปริบูร์ของศีลไวเพราะว่า ศีลที่บริบูรณ์มันไม่มีโทษไม่เจอปนด้วยโทษเปิดพระพสนามจริงๆเนี่ยเรารักษาระดับศีลได้เนี่ยก็โอ้ก็เยี่ยมแล้วนะมันมีความประณีตมากวันก่อนไปที่มหาวิทยาลัยศรีประทุมอาจารย์ที่นั้นเน่เขาเป็นลูกศิษย์เขาก็มาคุย เลยก็อธิบายเรื่องไต่สิขาให้เขาฟังเพราะที่จริงถ้าเราทําไต่สิขาสมบูรณ์แล้วก็จบแล้วนะฮะปัญหาทั้งหลายในโลกเนี่ยที่จริงไม่ไม่ต้องถึงไต่สิขาหรอกเอาระดับศีลธรรมอ่ะคือไม่ถึงก็ต้องสมาธิก็ได้เอาระดับศีลธรรมพูดง่ายระดับเบญจศีลเบญจธรรมเพรโลกจริงๆมันมีปัญหาระดับศีลธรรม เป็นศีลธรรมจัญญาเป็นปัญหาหยากรรมทั้งหลายเนี่ยคือเนื้อหาสาระของความเป็นศีลก็คือการยอมรับนับถือสถานภาพของกันและกันแล้วไม่ล่วงละเมิดกันนั้นก็คือการเคารพสิทธิและหน้าที่หรือศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อะไรก็แล้วแต่จะเรียกยสำนวนโ ว, นวหารของนักวิชาการบางทีมันมันรุงรังพันเต้อะ อะไรไม่รู้ผมพูดจนบางครั้งบางคราเราถามมาคุณเคยปฏิบัติหรือเปล่าคุณเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยที่พูดเนี่ยพูดอะไ ร, ไรเยอะไปหมดเลยคือมันต้องการผ่านการปฏิบัตินะผ่านการเห็นด้วยจิตหรือด้วยจิตสัมผัส ด, ด้วจิตแล้วเราจะเห็นว่าถ้าเรายอมรับนับถือสถานภาพของการอหไรกันเอาอย่างเดียวเลยไม่ต้องเอามาก เราจะไม่ล่วงละเมิดสิทธิในชีวิตเขาจะไม่ล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินเขาไม่ล่วงละเมิดในสิทธิคู่ครองเขาจะไม่ล่วงละเมิดต่อการสื่อสารติดต่อกับเขาจะาแสดงในความตรงไปตรงมาก็ยังเรียกว่ายัางเป็นเราเป็นเขานะแต่เรายอมรับนับถือสถานะของการอะกันไม่ล่วงละเมิดกันก็อยู่ได้แล้ว ทีนี้ถ้าเราสร้างเป็นเอกภาพเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างอย่างประเทศไทยเนี่ยบูรุภาพแห่งดินแดนจากทิศใต้จากไหนถึงไหนทิศเหนือจากไหนถึงไหนขอบของประเทศเดี๋ยมันอยู่ตรงไหนเราก็เคารพบูรุภาพแห่งดินแดนและในขณะเดียวกันว่าภายใต้ขอบขันธาศีมาแห่งนี้คือคนไทย หรือผู้อาศัยใต้ร่มพระโที่สมภารเราให้ความเคารพนับถือกันแตกต่างกันทางศาสนาเป็นเรื่องของความแตกต่างหรืะแตกแยกคือคนเราเนี่แม้แต่ศาสนาเดียวกันอย่าลืมว่าพ่อแม่ประแเ่เดียวกั น, น, กนเเเเเเเเเาเเเเเเออมเอเเเ่เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเตเเเเเเเเเเเเเเ ปัญหาต่างๆมันจะยุติมันจะคลายตัวเองเพราะในการที่เน้นศีลสมบูรณ์ก็มีการยกตัวอย่างให้ให้ฟังว่าคำว่าสมบูรณ์เนี่ยหมายความว่าอย่างไงเช่นเช่นเช่นสมมติว่าการปลูกพืชการปลูกพืชว่นนาเนี่ยนาที่ชาวนาเ็าทำเนี่ยมันจะมีโทษอยู่สี่อย่างคือพืชเสีย การหวานไม่ดีน้ำไม่ดีดินไม่ดีน่าจะไม่สมบูรณ์ทีนี้ถ้าหากว่าพืชไม่เสียการหวานได้ดีน้ำดีดินดีเนี่ยมันก็มีความสมบูรณ์แต่ท่านก็อธิบายเร่งการทำนาเนีเราจะเห็นว่าแนวของพุทธศาสนาเนี่ยเราเคยมีความคิดนย แต่เราก็ไม่มีอำนาจไม่มีหน้าที่อะไรที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าใช้คนเยอะใช้งบเยอะคือราอยากจะให้นักวิชาการเนี่ยมาๆ ม, มาเข้าใจค่าวว่ารัฐศาสตร์ดกรอบของรัฐศาสตร์โดยเนื้อหานี่มันคืออะไรปฏิบัติไปแล้วเป็นบําเป็นการา บ, บำบัดทุกบำรุษรุงสุขแกอนาปารนะชาลัตสรน่ะคือเนื้อหามันอยู่ตรงนั้นเน่ย เพราะนอกนอ ก, นอกจากนั้นมันก็เป็นรูปแบบเออเนื้อหาเขาว่าอย่างนี้พระพุทธศาสนาแสดงว่าอย่างไงนะเราจะเห็นว่าอย่างเนี้ยอย่างเว น, นี้มีเออสํานวนอะไรธรรมาพิบานธรรมาพิบาลนี่พูดกันจังเลยคลือ ป, ปัญห า, าเราเข้าใจจริงบอกว่าธรรมาพิบานหมายความว่าอย่างไง ธรรมาภิบาลที่จริงเป็นระดับศีลธรรมจัญญาแต่นั้นเองหมายความมัเป็นการทำงานภายใต้อุดมการบำบัดทุกบำรุงสุขเจ็ดจำนงอยู่ตรงนั้นหลากหลายในเชิงรูปแบบแต่ว่ายุติการลนเนื้อหาคือมันเกิดผลเป็นการบัณบัณบําบัณทุกบัดทุกบำรุงสุขแกลแกอนาประชารัศดแน่นอนบางครั้งบางคราวเนี่ยมันกระทบ ต่อสิทธิผลประโยชน์ของคนกลุ่มน้อยแต่เราต้องนึกว่าคนกลุ่มนั้นคุณอย่าผิดกฎหมายที่แต่คุณไม่ผิดกฎหมายมันมีปัญหาอะไรทำไมจะต้องเดือดร้อนกับกฎหมายเช่นสมมติก็ออกกฎหมายว่าคนฆ่ากุ่มขืนเนี่ยเอาอประหารชีวิตให้หมด ก, ก็ออกไว้สิเราไม่ทำอ่ะมิความหมายอะไร กฎหมายมันก็อยู่ส่วนกฎหมายเราไม่อยู่ส่วนเรามันอยู่ที่เรารับผิดชอบต่อสินธรรมอันดีหรือไม่มันไม่ได้เกี่ยวกฎหมายบัญญัติไว้ยังไงหรอกบรรพวกที่เดือดร้อนเพรากฎหมายนี่แสดงว่าอยากจะล่วงละเมิดกฎหมายเพราะกฎหมายมันเป็นเรื่องห ย, ยาบๆคือถ้าเราเข้าถึงศีลแล้วเนี่ยที่จริงกฎหมายไม่ได้มีความหมายอะไรเราปฏิบัติ ถูกต้องโดยอัตโนมัติโดยเราไม่รู้กฎหมายบัญญัติไว้ยังไงในซ้บไปดังะะนั้นเราจะเห็นว่าศีลที่สมบูรณ์เนี่ยมันก็จะเกิดริเหตุรยเหตุที่ท่านอธิบายไว้ว่าเธอตั้งหลายจงเป็นผู้พร้อมเพรียงคือเป็นผู้ถึงความพร้อมพรั่งได้แก่ประกอบด้วยศีลอยู่เถิดอันนี้ทรงเน้นยำ้ำ เราลองสังเกตว่าพระพุทธเจ้าไม่รับสั่งไม่รับสั่งเป็นคำสั่งว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เพียงแต่ว่าควรนะควรให้คิดเอาคือยอมรับพุท ธ, ธิภาวะของของพรุทธศาสนิกนชนคือเป็นสั่งแบบกฎหมายนี่ก็สั่งไม่ได้แต่พรพูทได้เกิดความสานึกแล้วก็ทรงใช้คำว่า สัมปันนาสีลาคือเป็นความถึงพร้อมด้วยศีลคือเพราะการเห็นโทษในการปิบัติศีลไอ้ น, นี้อ้ น, นี่ต้องต้องชัดเจนเรื่องบาปบุญคุณโทษนะ่ยคือเราทําให้ชัดเจนในตัวบาปบุญคุณโทษแล้วจะายากใจมักจะข้เยอกันอนะ่ะแต่ถ้าเราชัดเจนในส่วนที่เป็นโทษแล้วแม้แต่เล็กน้อยเราก็รังเกียจ อย่างที่บอกว่ายาพิษนิดเดียวเราก็เห็นเป็นโทษแล้วไฟนิดเดียวเราก็ระมัดระวังแล้วอสรพิษตัวเล็กนิดเดียวเราก็ระมัดระวังแล้วเพราะแน่นอนถ้าขาดการระมัดระวังมันเป็นโทษทีนี้ในขณะเดียวกันก็ต้องเห็นอนิสง์ของความเป็นผู้มีศีลอันิสงค์คือผลที่ไหลออกจากการทาความดีมันมีความชัดเจนนะ ยัางในคุกเนี่ยไปถามดูตต่ทุกคนผิดศีลแล้วก็ผิดเรียกว่าไม่เกินศีลห้าอันมาเคยสัมผณ์มาเยอะนะฮะปสองพานา104ถึง520เนี่ยอบรมนักโทษเที่ยวตลอนตลอนอยู่ในคุกเนี่ยนานบางวันในครึ่งวันนะอยู่ในคุกแล้วก็คุยแล้วก็สัมผณ์ ก็อมองเห็นอย่างหนึ่งว่าสังคมพุทธเราทารักษาศีลห้าได้แม้จะไม่ละเอียดนะฮะคือศีลห้าอย่างหยาบๆแต่รักษาได้สังคมก็จะน่าอยู่ขึ้นเยอะอันนี้ยังไม่ได้พูดระดับของการสมบูรณ์ทีนี้ยันที่บอกว่าถ้าสมบูรณ์เนี่ยถ้าเป็นพระก็พูดถึงจตุ ป, ปาริสุทธิศีลถ้าพูดถึงโยมก็พูดระดับเนี้ย ผู้ระดับศีลห้าเราสังเกตว่าไม่เคยพูดถึงศีลแปดจะพูดแค่ศีลห้าเท่านั้นเพราะศีลแปดเป็นเรื่องของบางครั้งบางคราวแล้วก็จริงๆมันเป็นความประนีตขึ้นศีลห้าเาก็เป็นพรหมจรรย์นะฮะแต่ศีลแปดเนี่ยมันชัดเจนนกว่าเป็นพรหมจรรย์เพราะข้อที่สามนี่เป็นอภรรมคือเว้นจากการมีเพศสัมพันธ์ เป็นความประนีตแต่มันก็เหมาะสำหรับชาวบ้านบางกลุ่มเป็นการรักษาได้ชั่วครั้งชั่วคราวใครสมัครรักษา8ดข้อเป็นนิจเสียิก็รักษารักษารักษาหิน8ดเฉยๆก็รักษารักษาแบบอุโบสดก็รักษาหมายความถ้ารักษาก็วันหนึ่งคืนหนึ่งแต่ถ้าเรานับจริงๆมันไม่ถึง24ชั่วโมงนะ พอตอนเราสมาทานศี่แปดในวันธรรมสวรรคนี่ไปสมาทานตอนประมาณสักสี่โมงกว่าๆเดีวก็ตอนบ่ายก็หกชั่วโมงก็ถึงที่คิดว่าเจ็ดชั่โมเอาคิดว่าแปดชั่โมงนกลางวันคิดว่าแปดชั่วโมงกลางคืนตอนก่อนเที่ยงคืนก็อีหกชั่วโมงนะรวมแล้วก็สิบสี่ แล้วก็หลังเึ้คืนไปเนี่ยประมาณสักได้อารุณปีตีห้าครึ่งเนี่ยมันก็กินอะไรได้แล้วนะฮะคือได้ได้อารุณเห็นเห็นลายมือใหญ่สามเส้นเนี่ยก็กินได้แล้วแล้วก็ตีสว่าประมาณสัก2ี่สิบยี่สิบชั่วโมงหรือสิบแปดสิบเก้าชั่วโมงเป็นความสมัครใจแต่ว่าศีลห้าเนี่ยมันเป็นฐานของสังคม ถ้าสังคมไม่ไม่มีศีลห้าหรือไม่ใส่ใจในเรื่องศีลห้าอย่างสังคมไทยเราเนี่ยศีลห้ามันเป็นประเพณีไปเป็นศาสนพิธีรับศีลสักแต่ว่ารับสมาทานสักแต่ว่าสมาทานบังทีทำมันก็ทำเล่นงานศพพระมาสวดสามเตียง รับสีนี่ทุกเตี้ยรับทำอะไรก็ไม่รู้คือทำไปทำเล่นไปอันนี้ความเปลี่ยนแปลงในจึงพฤติกรรมจึงเกิดยากแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องการผลเยอะทางทางที่เหตเราบกพร่องนะฮะแต่เราต้องการผลที่สมบูรณ์ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยคือผลที่สมบูรณ์จะเกิดจากเหตุที่บกพร่องนี่ไม่ได้ ในขณะเดียวกันคือผลที่บกผลที่บกพร่องเนี่ยจะเกิดจากเหตุที่สมบูรณ์ไม่ได้ถ้าเหตุสมบูรณ์ผมก็ต้องสมบูรณ์ถ้าเหตุบกพร่องผลก็ต้องบอกพร่องเพราะฉนถ้าเราต้องการผลที่สมบูรณ์ก็ต้องสร้างเหตุที่สมบูรณ์ในข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้สัตว์ถึงป่าติโมกษ์สองบัวฤาษี แต่ว่าในการปฏิบัติที่ประณีตคือจะต้องจะต้องมองถึงถึงอีกสข้อนะฮะก็คืออินเสียสมบัตคือความอาชิวะปริสุทธิ i แล้วก็ปัจจยะปัจเวคขณะเขาเรียกว่าปัจจยะสันนิศิตาสีนคือเป็นการพิจารณาปัจจยสี่ ไม่เวลาบริโภคใช้สอยปัจเจศีเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเริ่มต้นเราจะเห็นว่าตามปกติแล้วจะพูดไม่สมบูรณ์เพราะถ้าพูดสมบูรณ์นคนเขาขยับแต่ว่าเขาสัมผัสผลแล้วเขาจะพอใจในตัวผลแล้วเขาจะสร้างเหตุขึ้นไปเองคือถ้าเราดูวิธีการเนี่ยมันคล้ายๆชิม ได้ลองชิมดูซิงดเป็นปานาธิบาตดูซิแต่เนื้อหาจริงๆไม่ได้อยู่ตรงนั้นไม่ได้อยู่เท่านั้นเพียงแต่ว่าเอาตรงนี้ดูก่อนแต่ว่าชีวิตเนี่ยมันปราศจากเวรปราศจากภัยปร ะ, ะาศจากอันตรายแล้วก็ไม่ค่อยรู้สึกหวาดกลัวสะดุ้งถึงภัยอันตรายต่างๆที่ไม่ว่าสถานการณ์มันจะเป็นยังไงก็ตามนะ คือเรามีศีลอย่างหนึ่งคือไปเชื่อว่าไม่มีใครทำอย่างเด็กแล้วก็ถ้าเกิดเป็นอันตรายขึ้นมาเนี่ยก็ตายอย่างผู้มีศีลมันก็ไม่ได้แปลกอะไรก็ตายเร็วขึ้นหน่อยแต่ว่ายังไงยังไงก็อย่าประมาทก็แล้วกันเพราะในที่นี้ท่านบอกว่าปฏิโมกขังบวรศีลเท่านั้นชื่อวศีล ปฏิโมกขสังวรศีนนั้นของผู้ใดขาดผู้นั้นใครๆไม่ควรกล่าวว่าผู้นี้จะรักษาศีลที่เหลือไว้ดังนี้เพราะว่าตัวหลักมันอยู่ที่ปฏิโมกขสังวรศี น, นคือคืออินเซียนสังวรเนี่ยในแง่ของความเป็นจริงถ้าโดยคนทั่วไปเลยมันไม่ใช่ศีนนะมันเป็นธรรมะมันเป็นสัมมาวยามะข้อแรก เป็นความคุณงวของจิตถ้าเป็นศีลก็เรียกว่าศีลเดรณิตคือจิตที่ยินดียินร้ายเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างศีลของพระสมมติว่าพระเนี่ยเป็นของก็วางไว้แล้วเกิดโลภอยากได้ถ้าเพียงแต่มองด้วยความโลภเนี่ยเป็นมโนทุจริตนะยังไม่ถึงกับผิดศีล ถ้าไปจับต้องรูปครามโดยความอยากได้เนี่ยท่านปรับแล้วตอนนี้เริ่มปรับอบัตแล้วปรบาบอบัตทุกกฎแล้วถ้าทําของหน้าเนี่ยมันไหวเนี่ยปรับอบัตทุนละใจแล้วก็ทําของ น, นั้นในเคลื่อนจากที่วางเขาเรียกว่าเคลื่อนจากฐานเนี่ยปรับป ร, รารถกคือยังไม่ได้ไปนะยังไม่ได้ไปแต่ปรับป ร, รารถิกล้วแล้วเนว่ามันคุมเข้าถึงใจ แต่ลำพังใจคิดเนี่ยมันไปเอาเป็นอบัตไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันบางข้อก็เป็ น, นาบาอบัตเช่นว่าพระไปเพ่งมองเพศตรงกันข้ามด้วยจิตกำเนะรดประวัติทุกข์นะตรงนี้ยเพราะว่าอะไรคือว่ามันกายกับจิตกายคือตาที่มองนะจิตก็คือที่คิดอ่ะก็ท่านป ร, ปรบาบัติทุกข์ แต่ว่าพออธิบายถึงกานทินนาทานเนี่ยพูดถึงต้องรูปคำก่อนต้องจับต้องก่อนแล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องในเรื่องเกี่ยวกับศีลเนี่ยเพราะว่าศีลพระจะระมัดระวังในเรื่องเพศนี้มากขนาดย้ายศีลข้อที่สามไปไว้ศีลข้อที่ห้าไอศีลข้อที่หนะึ่งะ แต่เราศึกษาดูเราจะเห็นว่าที่เกี่ยวกับเพศตรงกันข้ามทั้งภิกษุณีทั้งภิกษุนีน่จะเยอะมากเพราะถ้าเกิดพลาดตรงนั้นแล้วคือพลาดเลยท่านจึงอธิบายบอกว่าในส่วนของปาดิโมกสังวรศีแต่ไม่ได้หมายความทุกข้อนะฮะคือเอาเฉพาะปาราชิกสีของโยมเนี่ยมันต่อได้แต่ว่าก็ ข, กขาดนะ เพียงแต่ว่าสมาทานใส่สมาทานใหม่บ้าแต่ว่าของของพระเนี่ยคือถ้าขาดถะข้อแล้วก็ขาดเลยท่านอุปมาเหมือนคนสีรระขาดอา ว, วัยวะเหล่าอื่นมันมันมีอยู่มันก็มันก็ตายแล้วนะเพรา ะ, ะนั้นตัวหลักจริงๆจึงไปเน้นที่ตัวปฏิโมกขสังวรสีไั่ได้เพราะว่ามันเป็นสินหยาบถ้าหยาบรารักษาไม่ได้เลิกพูดถึงเรื่องละเอียด คือรักษาได้ยากทการทําให้ความสมบูรณ์ในสิกขาบทก็เริ่มที่ตัวที่เป็นบทบัญญาต์เป็นข้อข้อเป็นสิกขาบททั้งหลายเนี่ยคือมเน้นที่ตัวนี้ไปก่อนคือทําให้ได้ก่อนแต่ไม่ใช่เพียงเท่านี้เพียงแต่ว่าตรงเนี้ทําให้ได้ก่อนและจิตมันจะเกิดอัดาธะคือมีความยินดีในความสงบเวญสงบภอยสงบอันตรายและเกิดฉันทะอุตสาหะที่จะประพฤติปฏิบัติ ในศีลที่มีความประนีตขึ้นไปทุกฝั่งทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีประทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี